ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรม 15 พฤษภาคม 2527 ที่พุทธสถาน คือผู้รู้ตื่นผู้เราจงมาเป็นผู้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เบิกบาน ศึกษาเธอเพื่อให้เกิดรู้เพื่อให้เกิดรู้รู้ตั้ง แท้ผู้เกษมสําราญเป็นที่สุด อะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรทรงอยู่อะไรมันเสื่อมลงตั้งสิ่งที่ควรเสื่อมอะไรทรงอยู่อะไรมันเสื่อมลงลดลง สิ่งมันก็ควรจะเกิดขึ้นควรเกิดขึ้นมันก็ควรจะเกิดขึ้นและในโลกนี้ ท่านในความตั้งอยู่ในความเสื่อมแซกซ้อนลงไปในความเกิดในความตั้ง ไม่มีอะไรเป็นของจริงของเที่ยงแพ้มันไม่มีอะไรเป็นของจริง มันมีอยู่ทั้งหมดในความมี มันก้นหน้ามีหน้าเป็นและสิ่งที่ไม่ไม่น่า ทำความมีขึ้นทั้งนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราหายใจเข้าไปมันก็ ก็ได้ร่างกายนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ เรียบว่าสังขารพระพุทธเจ้าท่านตรัสก่อนจะปรินิพพานเป็นประโยคสุดท้ายว่าสังขารทั้งหลายเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลาย ความว่าว่าสิ่งไม่ดีเท่านั้นสังขารนี้หมายถึงพุทธธรรมก็เป็นสังขารในความดีผู้ <c oughs> เมื่อเป็นมนุษย์องค์ประกอบมีรูปนามขันธ์ 5 เป็นมนุษย์พระอรหันต์เป็นพูดถึงนิพพานแล้วเป็น ฤทธิ์ชื่อว่าราคะโทสะโมหะอันไม่ควรมีไม่น่ามีอยู่ในตัว แล้วมันมีหยาบกลางละเอียดแล้วมันมีเหตุมีปัจจัยก่อให้เกิดชวนให้เกิดแล้วมันก็อยู่ในโลกทันไม่ดีแล้วก็ไอ้สิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กับเราแล้วควรหรือ ประกอบกระทําร่วมสร้างสรรค์ไปได้สิ่ง ต้องเรียนรู้ๆว่าอาการราคะแน่ๆเรียนจริงๆรู้จริงๆอาศัยในตัวในตนทุกขณะทุกเวลามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมตอน โทษะคืออาการเช่นนี้โมหะคืออาการเช่นนี้บางนิดหน่อยหรือรู้ยากหรือบางๆ แต่บัวรู้เรียนรู้อย่างถูกอย่างพยายามกระทําจริงๆมีทฤษฎีมีคําสอนบอกกล่าวแล้ว เป็นทฤษฎีอันยิ่งใหญ่ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีตรัสรู้โโพชะนี่แปลว่าๆแล้ว ปฏิบัติอยู่ด้วยโพชฌงค์ 7 หรือขยายออกเป็น 7 นี่แหละขยายออกไปก็เคยเคยขยายฟังๆถูกๆควบคุม การกระทําทุกอย่างสัมผัสทุกอย่าง ความเป็นผู้หมดกิเลสเกิดก็คือความเป็นพระอริยเจ้าที่ตายจะเรียกว่าลดจะเรียก ความเป็นพระอริยชาญในรูปนามคันธาจริงเพราะเราเรียนรู้นี่เราเรียนรู้นิพพานตัวเดียวเด็ดรู้นิพพาน กูดued ถึง幸ปาถิのพ est สันิแพทแสนวาระอนุปาทแสนต birthday พานี้พานเี้ยความว่ารูปนามขันห語ลงได้เรียกว่าอนุปาทแสนติพาหมดหมดลดับขั กายเนื้อหนังแตกเน่าจิตวิญญาณก็สลายตัวเราเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพาน สงฆ์ภรรยาผู้ที่ได้นิพพาน ตั้งใจอย่างที่มีเจตนามีความอุตสาหะจริงๆเราท้อยทีท้อย มีอะไรดีก็พยายามตกลงกันอะไรดีก็พยายามตกลงกันช่วยเหลือเฟื้อฟายกันเกื้อกูลกันไปๆด้วยจิตปัญญา แล้วก็กระทำสิ่งเลิกหยุดอะไรก็เตือนกันติงกันได้บอกกันได้สังคม เมื่อทุกคนก็น่าจะได้รู้สึกตัวทําได้อย่างนี้ทุกคนก็น่าจะได้รู้สึกตัวน่าจะได้ จักจะติดแป้นอาตมาใช้สัพท์ติดแป้นคือได้ฐานพักแล้วก็เป็นเทวทานิกายใดนิกาย 1 ตามศัพท์ของพระพุทธเจ้านิกายใดนิกาย 1 คําปรัชญ์เช่นนี้ถ้าผมว่าเรา ฟังแล้วก็จะเป็นปฏิบัติอะไรได้ฟังเสร็จเพลินๆแล้วก็จะไปปฏิบัติอะไรได้บอกว่าเราไม่ได้สอนให้เธอไปเป็นเทวดานิกาย เรามีสิ่งที่เป็นเทวดามีสิ่งที่เป็นเทวดาเทวดาก็คือจิตวิญญาณ เทวดาเค้าว่าเป็นผู้มีความสุขเป็นผู้เจริญพอเมื่อได้ชาติ เขาได้ลาบมาเขาก็เจริญเขาได้เสพสมเขาก็ว่าเขาเป็นไปปุถุชนรู้ปกคุณก็รู้ใครก็รู้เทวดา เสวยอารมณ์เสพสมเสวยอารมณ์สุขแล้วก็ว่าเรานี่เจริญเจริญเพราะเราได้ได้มาเสพสมได้มาทําอารมณ์สุขให้กับตนเองอารมณ์อย่าง เป็น เทวดาสมมุติ, แก่เป็นสมมุติเทวดาสมมุติเทวดาไม่ขึ้นจึงได้มาสอนให้ละเอียดละออให้ 범4 อารมณ์เสพสมชีวิตนานับชาติโลภมากกับบาปมากก็ไม่ได้เกิดมาต่างๆนานาเป็นนรกอเวจีไปพอทําดีบ้าง เผลอๆไผ่ๆลนอีกมีมีบากมีหมวดหมู่ไม่มีกําลังอินทรีย์ตกอีกแม้มีหมู่ดีแล้วไม่ภาคเพียรก็ลนได้ ไม่ได้ผิดเพี้ยนใครก็เข้าใจว่าจิตวิญญาณแต่จิตวิญญาณมีอยู่ทุกคนเมื่อเป็น 2 อย่างสุขอย่างโลกียสุขสุขอย่างเสพสมเป็น สิ่งที่บําบัดอารมณ์เป็นการว่างๆๆสุขอย่างไม่มีอารมณ์เข้ามาหรืออุปัสโมสุขสุขอย่างระงับระงับอยู่มันเฉยๆมันไม่ มีรสวิชาจีจ๋าอะไรไม่เกิดอารมณ์ที่มันเป็นอย่าง เราจําได้เรารู้ได้กันเทียบกับเคียงว่าอาการที่เราเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์จิตรู้ก็รู้ อย่างนั้นอย่างนั้นแหละอย่างใดใครก็ระลึกเอาพอ อย่างเราเป็นหลงอบายมุขกว่าหน้าเเสพหน้าสมแล้วเราก็ไปเเสพสมอย่างนี้เป็นต้นมาอย่างนั้นมันก็ๆเราก็จะมารู้ว่าเราได้ดี ทักษะที่ทําให้เราเกิดความสามารถทําๆต่อไปได้ เมื่อเราเข้าใจอาการของเทวดาที่เป็นสุขโดย แม้แต่ฐานนี้เราก็ไม่ติดเป็นเทวดานิกายนี้ขณะที่เราๆไม่ใช่เทวดาสมมุติล่ะถ้า ด้วยสามารถของตนของตนสามารถของตนของตนฝึกฝึกเพียรอบรมแล้วจะเกิดไอ้เสพสมนั้นไม่พูดว่าไม่ต้องฝึกหรอกเป็นเอง สั่งง่ายมากความเป็นเช่นนั้นมาแล้วๆตรวจรสลงมาๆจานคลาจานอีกทํา อันออกของเราจริงๆนะว่าสะอาดวิสุทธิบริสุทธิ์ ย่ำคายผ่องแท้กระทําทางกายแล้วก็สัมผัสสัมปัดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขนาดนั้นขนาดนี้บางทีเราอ่อนแอสัมผัส เรเรามีสติแรงพอมีอํานาจอินทรีย์พอมีๆไม่ใช่เป็นนั่งคิดใช่เป็นนั่งคิดพอมันกระทบสัมผัส ด้วยสามารถๆนั่นแหละเป็นตัวจริงตัวปฏิบัติแท้ๆตลอดเวลาปฏิบัติชั่วระยะๆมันไม่พอหรอกมันต้องใช้ๆได้เรื่อย ก็ให้มันเป็นสติปัฏฐานไปจริงๆมีธรรมะวิจัยก็มีๆมีอิทธิบาทก็มี ว่าวง 8 ถึงที่สุดสมบูรณ์เป็นสัมมาอริยมรรคมรรคทุกตัวที่กําลังเดินเป็นอริยมรรคเกิดอริย แต่ถ้าเราปฏิบัติถูกเป็นสัมมาถูกเมื่อใดได้ผลแต่ได้อยู่ ก็เดินอริยมักก็คือเดินมรรคก็คือเดินผลเดินอริยมรรคคือเดิน 8 นั้นเรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์ โดยที่เค้าไอ้ฟังแล้วว่าคําว่าพรหมจรรย์นี่เป็นภาษา ลัทธิแบบนั้นแหละฮินดูเป็นพราหมณ์มีพระเจ้า พระพรหมจรรย์กลางๆก็ของอะไรก็ได้พรหมจรรย์ของคริสต์พรหมจรรย์ของอิสลามพรหมจรรย์ของฮินดูคําว่าพรหมจรรย์ธรรมวินัยธรรมวินัยของคริสต์ธรรมวินัยของ อส่วนจําเพาะเมื่อมาจําเพาะลงไปว่าศาสนานี้หรือพรหมจรรย์นี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสเมื่อทรงพุทธได้ ศาสนาพุทธคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 นั่นเองในความหมายคำนี้ท่านได้ตรัสยืนยันว่าอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 นี้เรียกว่า 8 จึงยิ่งใหญ่ที่สุด ทำผู้รู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์ปฏิบัติตนอยู่ตลอดเวลาเอ่อเข้าใจเลยว่าทุกข์คืออย่างนี้เหตุแห่งทุกข์คือ เป็นของที่ทําให้เราตกต่ําเป็นของที่เราทําให้ จนมาเป็นอุบัติเทพจนมาเป็นวิสุทธิเทพได้เราก็พิสูจน์ๆนี่อริยสัจเส ทางอันเอกเคเสวะมรรคโฆนักท่านโยทางนี้ทางเดียวเท่านั้น ค้าแต่ว่ามันดีชวนกันทําอะไรก็แล้วแต่ว่ามันดีชวนกัน ไม่ได้ศึกษาพรหมจรรย์นี้แต่หลงผิดอยู่ในพรหมจรรย์หลากหลายที่ผสมผสาน กุกกตารามสูตรให้ครบ 3 เปาะให้ชัดๆนี่กุกกตตัว 1 นั้นท่าน ผิดอย่างไรก็แล้วแต่เราต้องเลือกทางผิดนั้นออกจริงๆไม่ฉะนั้นไม่ใช่พรหมจรรย์นี้แต่ก็ ผู้ที่รู้พระธรรมจรรย์นี้เข้า 2 ท่านตรัสว่าบุคคลผู้ประกอบ ฟังให้ดีๆบุคคลตอนนี้มีบุคคลแล้วผู้ประกอบตามอริยมรรคท่านแปลในพระติปฎกด้วย 2 ด้วยอาตมาเห็นว่าแปล คือมีอริยมรรคเนี่ยมันมีองค์ 8 ด้วยแล้วมันประกอบ ท่านยืนยันไว้ชัดว่านี่คือพรหมจารีคือผู้ปฏิบัติและอีกสูตรหนึ่งใน 8 นี่คือพระเสขะเพราะผู้ใดประกอบอริยมรรคทัน ปั๊บๆลงไปเป็นผลเป็นมรรคที่ถูกเป็นอริยมรรคก็คือ มันพวกเราปฏิบัติอยู่นี้พวกเราอยู่เดินอริยมรรคตามอริยมรรคที่ถูกต้องพยายามตรวจตราแยกขายอ่านใจ พิจารณาวิจัยให้ดีเลยไอ้กายนี้เรามิจฉาตามฐานของเรานะเป็นมิจฉานะไม่ใช่จะไว้วามิจฉาตั้ง 2 เท่านั้นน่ะมิจฉา 2 มิจฉาเพราะมันวายามะหรือสติก็มิจฉาถ้าสติไม่ปฏิบัติ 7 องค์นี้ก็เกิดสมาธิ สมาธิไม่ต้องไปทําอะไรหนึ่งเป็นอนิสงส์ประกอบนะมีผลประกอบ แต่ทางเอกทางใหญ่แล้วปฏิบัติอริยมรรค 3 ของ 3 นี้ท่านก็บอกว่า เห็นจริงๆรู้จริงๆอ่านออกจริงๆในที่กล่าวมาแล้วแต่ต้นอธิบายมา แต่การเรียนทุกวันนี้แค่พ้นทุกข์เป็นอนาคามีอนาคามีก็ไม่ มันพรหมจรรย์นี้ก็เรียกได้เลยบรรพศาสนานี้ มันต้องภาคเพียรดูว่าเราได้ปฏิบัติเป็นพรหมจารีกันอยู่จริงๆพรที่เรียกว่าสะพรหมจารีก็คือเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมผู้ประกอบผู้ตามประกอบอยู่อ่าผู้ตามประกอบอยู่ปฏิบัติอยู่ถูกอริยมรรคก็ได้ผลอริยมรรคที่เกิดถูกตรง คุณหายใจเข้าหายใจออกคุณกําลังคิดๆกําลัง เต็มเมื่อไหร่ก็เต็มเมื่อนั้นสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็สมบูรณ์เมื่อ กายวาจาเป็นอยู่อย่างเก่าเราก็นึกว่า มรรคปวดสมาธิสมาธิแปลว่าอธิสมาธิคือความเป็นอธิอย่างชัดที่สุดวาจาสัมมากัมมันตะ สั่งสมเรื่อยๆจิตเราชัดให้จิตรู้ว่าเราทําพหุลีกตโตทําให้มากทําให้มากทําจริงๆทําให้ถูกต้อง ในอริยสัจ 4 นั้นน่ะ 4 ว่าเป็นมรรคอธิบายกันหลายเชิงเรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็เรียกถ้าผู้ที่สมบูรณ์แล้วก็เรียกทุกขนิโรธคามินีปฏิปทายังไม่สมบูรณ์ก็เรียกมรรคคําว่ามรรคก็กลางๆ สัมมาอริยมรรคเคล็ดเต็มไปอีกว่าสัมมาอริยมรรคเพิดได้เดิน 4 จึงจะครบสมบูรณ์เมื่อ คิดแล้วคุณก็มาปฏิบัติอริยมรรคเป็นพรหมจารีปฏิบัติจนกระทั่งไอ้เรื่อง มันก็อุเบกขาฐานมันก็วิมุตติอยู่ในตัวไม่ได้ยินผลสม เหตุแห่งทุกข์ดับไปทุกขนิโรธดับทุกข์ด้วยเหตุปัจจัยนี้นี่ดับโรคอบายหรือดับเหตุปัจจัยที่เป็นอบายบุหรี่นี่ถือว่าอบายอบายมุขของเศรษฐี เสื้อผ้าสวยๆเรามีเสื้อผ้าหน้าแต่พออาศัยก็อาศัยเสื้อตัว อ่าแบ่งให้คนอื่นเค้าดีกว่าคนอื่นเค้ายังสะสมเค้ายังทุกข์ยังร้อนก็ยัง ไหมพวกที่รื่องมา istahrè kadın เขาคือ pidามได้ งfully put on the issue with difficulty так諒สณะ she doesn't fully do this because the pre sap is put inept they don't even know in parfait� JULIziya seansk longlass Kalashin the world's legative Может the future be fridge has entered США in thequila sevent agrees how we can do it for new areas ..so it will not be safe with your freedom of sight to get them into a mirror. yes our Gel为什么 they don't เอ่อลูกน้องพอได้ก็ไปเป็นอาเซียนชาตินี้เป็นอาเซียนขูดรีบจากลูกน้องกินแรงงานลูกน้องชาติหน้าก็ สลับกันอยู่เนี่ยไม่รู้อาเสียหรือว่าไม่รู้งัวควายกันใครเป็นนายใครใครเป็นลูกน้องใครก็ไม่รู้วนก็อยู่อย่างงี้ไม่รู้จบนี่เอาสมมุติมาอธิบายให้ฟังชัดๆใกล้ๆวนเวียอยู่นี้นานนับกลับกันนะ แล้วเราก็ไม่รู้ตัวเราไม่รู้จริงๆไม่ไม่รู้ว่าเราทํากําไรหรือทําขาดทุนไม่รู้ปรีดนาทาเรน เมื่อเรามารู้ความจริงนี้เรามาพออืมกินอยู่เท่านี้ก็พอแล้วใช้เท่านี้ ก็ไม่ใช่รับใช้ทีเดียวอ่ะเราสร้างสรรค์ไปเกื้อกูลผู้อื่นไปสัพพะรับใช้เหมือนกับไปกดคีย์เหมือนกับไปดูถูกผู้สร้างสรรค์ผู้เป็นบุญเป็นคุณแท้ๆแล้ว สมัคร ส. 2 นี้ผมขอสมัครเป็นผู้รับใช้ท่านจงเลือก อุดมการณ์หรือว่าทํางานเพื่องานก็ทํางานเพื่อที่จะโอ้โหไม่ได้ ทำไมน่าใหญ่ใจโตทำไมมันจะไม่เหลือต้องเยอะต้องเยอะ เราๆได้รับมาจากท่านเป็นบุญพิสูจน์ถ้าหมู่มวลพวกเรา เป็นผู้หวังได้ในความเจริญๆๆๆหรือก่ออุบัติเทพเงียบ สงบและมีความตั้งใจที่มีปริมาณใช้ได้ตั้งใจเนี่ยดู ปริมาณความเพียรปริมาณความตั้งใจอย่างนี้ล่ะน่าอนุมุตธนาแล้วแม้กิเลสเราจะยังมากก็ปรับปรุงไปลดมันไปอ่ะ ผู้ใดก็ตรัสยืนยันการฟังธรรมก็บรรลุธรรมได้ไม่ใช่ฟังธรรมบรรลุธรรมไม่ได้แม้แต่แสดงธรรม งานพวกเราฝ่ายดีเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะเป็น ไม่จําเป็นน่ะไม่มีปัญหาอะไรเราจะเกิดมาจากพ่อแม่คนจนพ่อถ้าสามารถ ทำหรือมีผู้ช่วยกันให้ตัวเองหรือมีผู้ช่วยกันให้อาหารมีผู้ มันย่อมได้ย่อมเกิดเพราะการเกิดขึ้นเป็นอริยะก็เป็นสังขารที่เราทําเกิดคุณ รักษาไปแล้วมันก็สุดท้ายเป็นพระอรหันต์แม้เป็นพระ ศาสนาพุทธก็เป็นสังขารที่กล่าวแต่ต้นแล้วพระพุทธเจ้าสร้างศาสนาพุทธขึ้นมามันก็เสื่อม ต้นไม้ทําให้พุทธเกิดไม่ได้สิงสาราศัตว์ไหน พระองค์ประกาศเด็ดตัดก่อนปรินิพพานว่า มีฤทธิ์แรงอยู่มีอยู่มากแล้วมันก็ยังไม่พอมันก็ยังมีฤทธิ์แรงที่มากยิ่งขึ้นเพราะๆอย่างน้อยรับเป็นๆอยู่จริงๆ แล้วเราก็ได้ดีเราก็เป็นผู้เจริญที่แท้เป็นผู้เจริญที่จริงอย่างน้อยเราก็ได้แล้วคนอื่นไม่ได้ก็ช่าง ที่พูดเป็นสำนวนโวหารวัดๆไปเราเกิดให้ได้แล้วเราก็มนุษย์ มนุษย์ขี้เหี้ยมันเห็นพระอริยะเพราะว่ามันไม่รู้ว่าภูเขาอยู่ในดวงตามันเห็นพระอริยะมันก็กายกรรมวจีกรรม เห็นเค้าดูเค้าเข้าใจคุณแล้วคุณมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันสุจริตหรืออันดีงานที่แท้เป็นว่าเราว่าเราเป็นคนเสื่อมคนเลวอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่จริง เขามีดวงตาอธรรมเขา